มิดมิดไทยมาไทติงต้งติงต้งสิงห์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่มีหูทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเจ๊เฮีย e คุยกันครั้งที่สาม ทางช่อง Miss t h ท i Stings บอ x อีกแล้วนะครับเราอัดรายการในวันที่30กรกดาคม2560วันนี้เราสองคนจะมาคุยกันในประเด็นอยู่ปลายทำไมทำไมอยู่ปลายเชิญรับฟังครับผม สวัสดีครับผมเฮียสกลนะครับค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กั ม, มี่ค่ะวันนี้เราก็ตั้งหัวข้อง่ายๆนะครับที่เราถ น, นัดมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเรามืออาชีพเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เรามาอยู่ปายนะครับเรามาอยู่ปายเนี่ยก็ถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ีปีแล้วนะครับเ ฮ, เฮียเฮียย้ายมาปลายตอนอายุเท่าไหร่คะตอนย้ายมาอายุ29่สิบค่ะเจ๊ก็ยีนะคะ ตอนนี้ก็ก็คือว่ามาตั้งแต่ปี2539ตอนนี้ก็21่ปีแล้วอยากทราบว่าตอนที่เฮียเป็นหนุหน่มๆหักก่อนมาปลายเนี่ยเฮียมีความฝันว่าอะไรบ้างถ้าตอนนั้นก็คือรู้สึกเบเบื่อเบื่อการอยู่ในกรุงเทพนะครับคือนเบื่อแล้วก็เหมือนเบื่อแล้วก็ต้องไปทํางานมันมันวนไปวนมาคือเราไม่รู้จะไปยังไงก็ความฝันง่ายๆก็คือว่า กูต้องไม่แก่ตายที่กรุงเทพครับก็คือกูต้องไปอยู่ต่ในว่าที่ได้ไงของเจเนี่ยตอนนั้นเจ้มีความฝันว่าเริ่มอยากมีชีวิตที่แบบสบายอ่ะมีความสุขคือตอนนั้นมันมันมันก็มีความสุขอยู่นะทำงานที่กรุงเทพแบบไม่ได้ทุกทรมานอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการงานมันเครียดเกินอ่ะมันทําให้เราไม่มีความสุขในชีวิตประจําวันแล้วรู้สึกว่าเวลาของเรามันหายไปอ่ะมันต้องเอาเวลาส่วนตัวไปที่การงานที่ที่มันมันเครียดมาก ม, มันจนแทบจะไม่มีเวลาที่ทําสิ่งที่เราชอบไนงะแล้วตอนนั้นก็ชอบอ่านหนังสือแล้วเฮียก็ยื่นหนังสือมาเล่มหนึ่งชืออ่อหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นสุดท้ายไงของมาซานะบุคูกูอกะแล้วมันมันทุบกระโหลกมากอะ่ะมันมันพูดประโยคประมาณว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวอะ่ะที่ทํางานทํางานทั้งวันอะ่ะคือแบบเอ้ยทำไมเราชีวิตเราทําไมไม่มีความสุขทําไมเราต้องมาทํางานอะไรแบบ เยอะแ ย, แยมากมายอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราต้องไปหาชีวิตของเราเองในต่างจังหวัดอะและตอนที่เฮียตกลงใจว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเฮียมีความรู้สึกไหมว่าเฮียต้องทิ้งความรู้ความก้าวหน้าการงานที่มีอยูอ่เพราะเราก็เรียนมาจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วเฮียก็ทิ้งมาเลยแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดน่ะเฮียรู้สึกว่าได้ทิ้งมันไหมมันเหมือนกับว่าเวลาคนที่คิดว่าจะออกมาต่างจังหวัดเนี่ยจะไปคิดว่า เหมือนเสียดายความรู้เสียดายปริญญาใช่ไหมครับใช่ครับแต่จริงก็คือความรู้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไงเราจะไปอยู่ที่ไหนคือบังที่ผมก็ต้องถามกลับว่าไอ้ความรู้เนี่ยถ้าออกจากกรุงเทพแล้วความรู้มันหายไปหรือเปล่าคุณออกจากกรุงเทพมาสักห้าสิบกิโลเนี่ยไอ้ปริญญานี่คุณหายไปหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละคุณประโยชน์จากจังหวัดนะสิ่งที่คุณมีในหัวมันก็เอามาใช้ได้ฉนั้นความรู้มันไม่ได้ถูกทิ้งไปแต่คนอื่นจะบอกว่าเราไปทิ้งอะไรก็ไม่รู้แต่จริงผมรู้ว่า ความรู้มันอยู่ที่ตัวเราคือแล้ว<ม>เราเราก็เอามาใช้ได้แต่เราต้องต้องรู้ว่าจะใช้ยังไงในต่างจังหวัด<ช>มันคน ม, มันคนมาไม่ออกว่าม า, าต่างจังหวัดจะใช้ความรู้อะไรประเด็นคือคนชอบคิดว่าเราเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราต้องทํางานในกรุงเทพอ๋อถ้าถ้าออกจากกรุงเทพเนี่ยความรู้ที่เรียนมาเนี่ยจะไม่ได้ใช้อ๋อเข้าใจแล้วคือเขารู้สึกว่าเขาต้องไปสมัครบริษัทอะไรอะไรย่างนี้ป่ะต้องไปทำงานในบริษัท อ, อ, อันหนึ่งที่รับจ้าง พน<ช>ักงานจบตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มาใช่อ่าแต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องมาหางานในบริษัทเหล่านั้นไงเราสร้างงานเองได้ในต่างจังหวัดอะไม่ก็เลยไม่รู้สึกว่าได้ทิ้งความก้าวหน้าอะไรเพราะตอนนั้นอาจจะคิดบ้างเหมือนกันว่าเฮ้ยโอกาสที่เราจะทํางานอะไรต่อไปในกรุงเทพมันจะหมดไปเพราะเรามาอยู่ที่ที่ปลายเนี่ยไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรให้เราสม<ช>ัครชไม่มีลูกค้าอะไรให้เราทํางานให้เขาเอย่างเงี้ยครับใช่แต่จริงๆก็คือพออยู่ไปแล้วก็พบว่า มันไม่จะเป็นเรื่องนั้นไม่จะเป็นงานมันมีมีมมได้ทุกที่ทุกที่ <_ m ai> ใช่คืองานน่ะสร้างเองขึ้นมาได้แต่แต่จริงๆตอนที่เฮียก่อนมาคือเฮียมไม่ได้ตกงานนะถูกไหมเรามาก่อนฟองสบู่แตกเฮียก็มีตําแหน่ง <_ m ai> ที่จะกำลังจะก้าวหน้าก็ธรรมดาเขาไม่ได้ก้าวหน้าคือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะทําอะไรเนี่ย <_ m ai> คุณก็ลองทําไปก่อนจริงๆเราไม่ได้มาด้วยความแบบมีภาพชัดเจนว่าว่าเราจะมาอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าเราขอลองดูก่อน ใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นที่ย้ายมารู้สึกว่าตัวเองอายุยี่สแปดเองอ่ะแล้วมันเหมือนมันเหมือนว่าเราอยากทดลองอะไรที่ที่แบบถ้าแขกเราก็ไม่กล้าท mm ําอ่ะคือตอนเด็กอ่ะทำซะมันจะได้รู้สึกว่าเออถ้าล้มไม่รอดอยู่แต่จังหวัดสองปีปีหนึ่งแล้วไม่ชอบเราก็กลับไปหางานใหม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีวุฒิปริญญาหรือแบบมีความรู้ติดตัวอยู่จริงๆมันเป็นพูดมองกลับไปอะ่นะตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่พ้มองกลับไปเราพบว่ามันไม่มีอะไรหรอกคุณคุณมาอายุ ยี่สแปดยิบเก้านะถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไปปีนึงคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่มีหนทางเลยอนาคตมืดมนคุณก็กลับไปคุณก็แค่อายุยี่สิบเก้าสามสิบใช่มันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เหมือนเราหายไปไหนมาแค่หนึ่งปีเองใช่ค่ะแล้วความรู้ก็ยังติดตัวเราอยู่เราก็กลับไปสมัครงานต่อได้ตอนนั้นก็เลยไม่รู้สึกกลัวว่าเราทิ้งอะไรมามก็คือมามันเหมือนได้มาทดลองอะไรใหม่ๆอ่ะมันสนุกมากไงทําไมถึงรู้สึกว่าต้องอยู่ต่างจังหวัด จากที่แบบมีความฝันไงว่าอยากจะมีชีวิตแบบที่ไม่ใช่ไปทํางานในออฟฟิศอะและการอยู่กรุงเทพมันเหมือนค่าใช้จ่ายมันสูงมากในการดํารงชีวิตนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลองมาอยู่ต่างจังหวัดดูมันมันก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอะแต่มันรู้สึกว่าอยากลองมาใช้ชีวิตที่อิสระดูอะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่มีชีวิตเพื่อหาเงินแต่แบบลองมาค้นหาตัวเองอะไรประมาณนั้นอะแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยจ่ายจังหวัดนี่ บางทีเราก็ไม่ต้องพูดให้มันเหมือนกับว่าเงินไม่เงินนะครับผมรู้สึกว่าอยู่จังหวัดไหนก็ต้องหาเงินนะคือเอาง่ายๆเลยคือบางทีเราก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่ามาใช้ชีวิตแบบไม่หาเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะคิดได้ตอนเราไม่มีเงินนะแต่พอเราไม่มีเงินมากๆเนี่ยมันต้องหาเงินนะไม่รู้จะกินอะไรเงนินก็ใช่เพราะฉะนั้นก็คือผมว่าคนน่ะกลัวว่ามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะไม่มีเงินมากกว่าอถึงถึงไม่ออกมาเนี่ย ที่ที่ไม่ออกจากกรุงเทพเนี่ยเพราะรู้สึกว่าไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไม่มีเงินกลัวหาเงินไม่ได้รู้สึกว่าเงินมันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าออกมาจากกรุงเทพสักหน่อยนึงเงินหายแล้วจริงๆคือมีใช่ไหมเงินเงินมีทุกที่ครับไม่งั้นเขาจะอยู่ได้ไงตั้งเจ็ดสิจังหวัดมันจะอยู่ยังไงครับไม่มีเงินไม่งั้นจะมีเศรษฐีภูทรอะไรเยอะๆใช่ไหมอ่าแล้วคิดว่าตอนนั้นตอนนั้นที่เฮียคิดว่ามาอยู่ต่างจังหวัดคิดว่าจะมาทําอะไรถ้าคิดง่ายๆก็คือ นี่คหมายถึง20ปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะทำร้านกาแฟเล็กๆขายอาหารเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆร้านเครื่องดื่มมากกว่าร้านเครื่องดื่มเพราะว่าก็พูดจริงก็คือปายในวันนั้นมันก็มันก็ไม่มีภาพอะไรที่เราชัดเจนนะงั้นเราก็คิดง่ายๆว่าเออคนมันต้องกินอย่างน้อยก็ เห็นฝรั่งเดินไปเดินมาเราก็คิดว่าเออก็ร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มเบียร์บ้างอะไรบ้างบ<ช>้างแค่นั้นคิดแค่นั้นค่ะคือตอนที่เราย้ายมาปลายใหม่ปลายยังเป็นเมืองท่องเที่ยวสําหรับฝรั่งคือคนไทยอ่ะน้อยมากที่จะรู้จักเราก็มาเซเวดูเรารู้สึกว่าเออก็น่าจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆได้อะไรเงี้ยขายแบบเออเอาไม่กี่ถ้วยไม่กี่แบาบทเพราะว่าค่าเชาบ้ามันถูกมากไอตเนนั้นเราแต่แต่ในความจริงก็คือพอมาอยู่จริงๆปีแรกเรา ไม่ได้ไม่สามารถเปิดร้านได้นะมันหาไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบ้านคนไงใช่ครับเขาก็ไม่ได้ให้เราเช่าไม่ได้ให้อะไรก็กลายเป็นว่าเป็นการเช่าบ้านอยู่ปลายหนึ่งปีหปีโดยที่ไม่ได้เปิดร้านกาแฟใช่คือตอนสมัยนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าปลายยังไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ที่มีถนนคนเดินตอนตอนนั้นยังเป็นแบบหมู่บ้านแบบเป็นคนชาวบ้านอยู่แล้วก็มีฝรั่งเที่ยวท่านั้นเองแล้วก็มีร้านอาหารน้อยมาก เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำง า, านกัแก่แต่จริงๆก็คือหาไม่ได้ก็เลยอยู่แบบอ่านหนังสือวาดรูปขี่จักรยานเล่นไป1ปีคือเราอยู่เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนๆหรือมีคนอื่นๆถามเรานะีว่าเขาก็อยากมาอยู่ต่างจังหวัดนะแต่เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะมาอยู่ตอนไหนดีคงจะหมายถึงตอนอายุเท่าไหร่ดีมั้งคือส่วนใหญ่จะชอบถามว่าทําไมเราไม่ไปอยู่ต่างจังหวัดตอนบั้นปลายชีวิตคือเกษียณแล้วค่อยมาอยู่ทําไมเราต้องไป เราตอนที่มีพลังดีๆทาไมเราไม่ไปหาเงินในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่สําหรับเจ๊เจคิดว่าถ้าเราอยากอยู่ต่างจังหวัเราต้องมาเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องมาตอนที่เรามีพลังอ่ะเราจะได้ทําความคุ้นชินกับกับสถานที่ที่เราจะอยู่ต่อไปอ่ะเราจะได้รู้ว่าเออเราจะทำมาหากินอะไรแล้วก็มีชีวิตอยู่ยังไงให้แบบมีความสุขอ่ะถ้าเราไม่มาตอนที่เรามีอ่าพูดงา่ายมาตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มหรือสาวเนี่ยส่วนมากคนจะกลัวมาแล้วไม่มีอะไรทาก็เลยก็เลยคิดว่า อากูทํางานกรุงเทพเก็บเงินเก็บทองแล้วเดี๋ยวอายุสักห้าสิบหกสิบเกษียณแล้วอยากมีบ้านต่างจังหวัดสักหลังหนึ่งส่วนมากคนชอบคิดอย่างนี้นะแต่เรากลับมองว่าเนี่ยเราก็กําลังอยู่ในวัยที่คุณบอกกันแหละวัยห้าสิบถึงหกสบเนี่ยแต่เราพบว่าไอ้วัยเนี้ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปมาเปลี่ยนที่ไปที่ไหนนะมันไม่มีพลังแล้วคุณจะมาอยู่ต่างจังหวัดตอนคุณอายุหกสิบเนี่ยมันไม่สนุกอะไรอีกแล้วอ่ะแลนก็มนไม่มีเพื่อนฝูงด้วย คือเพื่อนฝูคุณอยู่ตอนอยู่ที่ทํางานที่คุณทํางานไงมันไม่มีไม่มีพลังที่จะบุกเบิกอะไรแล้วอ่ะเราเลยคิดว่าถ้าคุณจะทําทอะไรคุณทําตอนที่คุณมีพลังดีกว่าแล้วก็ที่เจรู้สึกคือแบบแล้วทําไมเราไม่มีความสุขตั้งแต่ตอนเราวัยรุ่นวะใช่ปะ่ะทําไมเราต้องไปรอความสุขเอายืดยืดความสุขเลื่อนความสุขไปก่อนให้ไปอยู่ตอนหกสิบอะไรเงี้ยคือจริงๆเรามีความสุขได้เลยตั้งแต่วันที่เราคิดได้อะ่ะทําได้เลยอะ่ะเคียร์มีคําตอบว่า คำตอบหรือไม่ว่าทําไมต้องเป็นปายอยู่ต่างจังหวัดทําไมต้องเป็นปายจริงๆแล้วคุณชอบสถานที่ไหนจังหวัดไหนคุณก็คุณก็ไปอยู่ได้นะสำหรับเราก็คือปายมันคือเป็นเรื่องบังเอิญที่เราที่เรามาเราไม่ได้รู้จักปายมากมายเพียงแต่ว่าเราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายดีเราอยู่แล้วมีความสุขเราก็เลยเราก็เลยอยู่ปายนะแต่จริงๆคือใครถนัดอะไรก็ทําอย่างนั้นนะใครถนัดทะเลถนัดภูเขาถนัดที่ลาบ ถนาดเกาะก็ก็อยู่ตรงนั้นใช่หรือใครมีพื้นเพแบบพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วมีที่ดินอะไรเงี้ยก็กลับไปอยู่ได้กลับไปตั้งล็กลากลับไปคิดว่าเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ย<ม>ทําได้หมดอะทุกที่อะคือถ้าย้อนไปก็คือว่าทุกที่ตอนนี้มันทํางานหาเงินได้เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตด้วยไงการงานมันเหมือนบางทีไม่ต้องไปทํางานแล้วอะถ้าไม่มีตังอะไม่มีตังเลยเนี่ยอยากอยู่ต่า ง, งจังหวัดเนี่ยทาได้ไหมเฮียว่า เอาแบบจริงๆเลยนะผมคิดว่าไม่มีตังค์ก็อยู่ที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละ<ช>คือถ้าแบบมึงอยู่กรุงเทพแล้วมึงบอกไม่มีตังค์จะอยู่ต่างวัดได้ไมเนี่ยกูก็อยากถามว่ามึงอยู่กรุงเทพอยู่ได้ไงครับไม่มีตังค์เนี่นนคือผมว่าทุกคนมันมันต้องมีตังค์ระดับหนึ่งน ะ, ะจะมากจะน้อยก็ต้องมีหรือหรือไม่มีตังค์เดี๋ยวมันก็ต้องมีงานที่ทำให้ได้ตังค์ทุกทสิ้นเดือนอย่างเงี้ยคือ คือไอ้คำถามประเภทว่ามีตังค์อยู่ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีตังค์กูว่าอยู่ไหนก็ไม่ได้นะออแต่ว่าเอาจริงๆก็คือคุณก็ควรจะมีตังค์ระดับหนึ่งนะเออผมก็ตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าความจําเป็นของคุณมันเท่าไหร่ตนอสมมุติว่าคุณใช้เงินเดือนละสองหมื่นคุณจะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินมากกว่าสองหมื่นถูกไหมเพราะว่ามันนั้นทีวงจรชีวิต ค, คุณก็อยู่ได้เดือนเดียว อ่าแต่ถ้าคุณมีเงินสองหมื่นแต่คุณมีงานที่สามารถสร้างเงินให้คุณได้ทุกๆเดือนสองหมื่นคุณก็มาอยู่ได้คุณมีอาชีพอะไรที่มันแบบทาที่ต่างจังหวัดได้คุณก็อยู่ได้คือประมาณว่าถ้าคุณอยากอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องวางแผนว่าคุณจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีตังค์อ่ะอบางคนเขก็ทําได้คือมันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตังค์อย่างเดียวนะมันเหมือนใจอ่ะคุณอยากมาจริงหรือเปล่าคือผมว่าคนคนที่ถามแบบนี้คือคนที่ อยู่ที่ไหนก็ไม่มีตังค์มันมันมันเป็นคนนักเสพสัจจะกคือเป็นเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทําอะไรไม่มีตังค์ก็เลยไม่ทําอะไรคือมึงต้องมีเท่าไหร่อ่ะมึงต้องมีสิบล้านใชไหมมาอยู่ปลายได้ก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะเคยมีคนพูดกับเจ๊ไงมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมึงฝันอยากเป็นอะไรวะบาทเดียวมึงก็ทําได้คือมีบาทเดียวก็ทําได้ถ้าคุณคิดออกอ่ะถ้าคุณมีใจอยากจะทําสิ่งที่คุณคิดจริงจริงไงแต่ถ้ามันฉลาดจริงมันไม่เหลือบาทเดียวหรอกอ่ะแล้วหลังจากที่อยู่ อยู่ตัก อ, อยู่ปลายมายี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเพียร์มีอการเหงาม้างไหมผมผมเป็นคนไม่เหงาครับ<อ>ผมเป็นคนจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพก็ไม่เหงาอืคือความเหงาเป็นเรื่องไร้สาระครับหมายความว่าคุณเหงาเพราะคุณไปคิดว่าคุณมันสําคัญมากไงจริงๆแล้วต้นมะเขือต้นพริกมันก็อยู่คนเดียวไม่เห็นเหงาเลยครับคุณ ก, คณก็คุณก็มีอะไรทําถ้าคุณมีอะไรทําทุกๆวันคุณมีความสนุกที่จะเล่นอะไรไปทุกๆวันเนี่ย วันนี้มีความเหงาหรอบางคนมีปัญหาคือมึงจะทําอะไรไอ้คาว่าอยู่จังหวัดเหงาไหมผมว่ามึงอยู่กรุงเทพก็เหงาครับคือมึงเป็นคนเหงาครับคือเป็นคนที่วันวันมึงไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าไม่เคยถามตัวเองเลยว่าอยากทําอะไรไม่ไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นคือแบบเหงาอะแต่ให้แนะนํำก็คืออย่ามาอยู่ใกล้ใก้กูเลยคือมึงก็อยู่กรุงเทพไปเอะคือแบบถ้าเหงามากก็ควรคิดว่าเออตัวเองเป็นอะไรทําอะไรชอบอะไรเขียนออกมานะมัน มันเหมือนกับว่าเวลามันก็น้อยแล้วจะมานั่งจะมานั่งมัวเหงาทำไมเรื่องมเหงาคือมันอยู่กับขึ้นอยู่กับคนอ่ะคนนั้นก็คือคนที่ไม่มีความคิดอะไรเริ่มจะทําอะไรไม่มีเรื่องจะทําทจริงๆคุณอยู่กรุงเทพอืคุณจะเหงาก็ได้แต่ผมว่ามันจะเหงาหาอะไรมันก็ทําไปสิออมีเรื่องให้ฟังให้อ่านให้คิดทุกวันนี้ยิง่งอินเทอร์เน็ตนะมันจะเหงาบ้าอะไร<ช>มีเรื่อง สาระจะไม่หมดมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยอ่ะคือมันต้องเป็นคนใฝ่รู้หาความรู้อะไรด้วยอ่ะมีความสนุกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะอืมแล้วตอนเฮียมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนที่ย้ายมาเฮี ย, ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะก็เหมือนเหมือนกับว่าเราย้ายบ้านออืมย้ายบ้านคุณก็เอาอะไรมาบ้างย้ายบ้านก็เอาของที่มันเหมือนคนย้ายบ้านเขาย้ายกันเพราะจริงอยู่กรุงเทพคุณก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวคุณจนะย้ายจาก บ้านเดิมมาอยู่อาพาร์ตเมนต์มาอยู่อะไรหอพักมันก็คือการย้ายบ้านใช่ตอนนั้นมันง่ายด้วยไงเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นนะเราไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีลูกอะไรก็แค่แบบมีบัญชีอะไรก็ปิดปิดไปซะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตก็คือย้ายขนขึ้นมาให้หมดอะไรเงี้ยคือผมที่ผมสงสัยคือไอ้คําถามพวกนี้มันเป็นคําถามของของคนที่ไม่อยากทําอ่ะมันคําถามแบบ เงาไหมต้องใช้เงินเยอะไหมต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วอนาคตจะไหมมันเป็นคำถามของแบบมึงเชื่อเหรอมึงถามกูอีกกี่ครั้งมึงก็ไม่ทําเพราะว่าคนที่สงสัยแบบเนี้คือคนที่ไม่ทำก็เพราะจะกลัวทุกอย่างอ่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการมีชีวิตใหม่กลัวการคิดเริ่มอย่างเงี้ยอซึ่งเราไม่ได้อยากจะมาทับถมนะเราแค่บอกว่าคุณคิดง่ายๆเลยถ้าคุณคุณคุณคิดว่าการไปจุดแบบมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งคุณก็ทํำไปเลย แล้วผมก็เสนอให้คุณทําตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณผิดพลาดก็แค่ปี2ปีก็กลับบ้านไปดิถ้าอยู่ได้ไก็อยู่ไปดิแค่นั้นเองเจ๊คิดคือเจ๊รู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นที่ควรจะทดสอบอะไรใหม่ๆอะ่ะคือแบบเออเจ๊ก็ไม่เคยไปเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านหรือว่าไปทําอะไรอย่างนี้นะคือมันก็ลองไปทําดูอะ่ะคือไม่ได้ทําตลอดนะก็ะทําดูเออดูว่าเขาเปิดร้านอะไรยังไงลูกค้าเข้ามาต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตไง คือพอมาตอนแก่แล้วมันมันงงๆเหมือนกันนะเราจะอยู่ที่นี่แบบยังไงวะมาแล้วก็ไม่รู้จักใครคือผมผมไม่สนับสนุนที่บอกว่าแก่แล้วจะไปอยู่ตา่างันวัพอไปแล้วเนี่ยผมว่ามันมันไม่มีแรงไม่มีพลงังคุณไปเดินต๊อกตอกแทกแกแล้วก็ผมว่านะคนแก่มาเนี่ยสักพักก็กลับบ้านเองครัเพราะว่าคุณไม่มีสังคมไม่มีอะไรที่คุณนะยูดีคุณโผล่มา60ใครจะรู้จักคุณอะ่ะอคุณไม่มีอะไรคุณก็ เป็นคนแก่ที่ที่ขี้เหงานั้วแหละการมีชีวิตอยู่การจังหวะนี้เกียวว่าใช้เงินเยอะไหมเท่าเทียมกันง่ายๆก็คือ่ารจังหวะข่าของชี่ถูกกว่าแต่แต่ถ้าอย่างปลายทังหวะนี้นี่มันก็มันก็ไม่ต่างกันมาเท่าไหร่นะมันก็คือเป็นต่างจังหวะที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถใช้เงินเยอะได้เหมือนกันอยู่ปลายเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ยากครับแต่เพียงแตว่าถ้าคุณโดยที่ปกติอะมันถูกกว่า แันนถ้าคุณใช้จ่ายเป็นรู้ว่าอะไรจาเป็นไม่จําเป็นอะไรผุ้เฟือยเนี่ยก็ใช้เงินไม่เยอะแตไก็ใช่ก็ก็คิดเห็นเหมือนกันคือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณอะว่าคุณอยากจะประหยัดขนาดไหนคุณมีงบประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคือปลายก็เผาผลาญได้หมดเหมือนกัน <c oughs> มีที่ให้คุณได้ใช้เงินเหมือนกัน <c oughs> แล้วหลังจากที่อยู่มาแล้ว21ปีอะรู้สึกว่าตัดสินใจผิดไหมที่ได้ย้ายมาอยู่ปลายคิดว่าถ้าอยู่มาตั้ง21ปีแล้ว ยังรู้สึกตัดสินใ จ, จผิดนี่ก็เครื่องควายแล้ว <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าผิดก็ตัดสินใจผิดทุกคนจะกลับไปตั้งแต่สองสามปีแรกแล้วแต่เราสึกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่ไปเราไม่ได้คิดว่าเราถูกต้องอะไรมากมายนะแต่เราสึกว่าถ้าเราอยู่แล้วเราสึกสบายอ่ะรู้สึกสบายรู้สึกสง บ, สสบนะสึกมันปกติไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากเนะี่ยนั่นแสดงว่าเรามีความสุขก็เลยอยู่อครก็ก็เจสําหรับเจสเจสู้สึกว่า ตัชีวิตเจที่อยู่ไปมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะดีก็เรื่อยๆคือก็อมีความสุขทุกปีนะแต่ว่าตอนปีที่ห้าสิบมีควาสุขเออมีความสุขมากแล้วก็ก็ตรงกับที่ฝันไว้เลยว่าเออเนี่ยไม่ต้องใช้ชีวิตที่ดินน้นรนรู้สึกสบายๆมากๆเลยอยากถามพี่เรื่องว่าการอยู่ต่างจังหวันนี้มันมีอนาคตไหมถ้าเรามีลูกเนี่ยเราจะวางแผนกันในชีวิตยังไงถ้าเท่าที่ผมรู้สึกคือผมไม่มีลูกนะครับเพราะผมผมคิดอีกแบบหนึ่งก็ผมไม่มีลูกอีกแบบที่เกี่ยวขงแต่ถ้าคนมีลูกเนี่ย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลายเหมาะไห ม, มเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากโควตอนคนมาเนี่ยมักจะมาแบบยังไม่มีลูกนะแต่พอมีลูกเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบแหละเพราะว่าโรงเรียนที่นี่อะไรอหลายๆอย่างโรงพยาบาลหลายๆอย่างกนอาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กอะใช่มันยังไม่ค่อยพร้อมอะแต่มันก็ดีขึ้นนะโรงเรียนก็ดีขึ้นมีโรงเรียนหลายๆแบบขึ้นแต่ผมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะาผมไม่มีลูก เช่นเดียวกันคือถ้ามีลูกก็คงต้องคิดหนักเหมือนกันแต่ก็คิดว่าก็คงให้ลูกเรียนถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็เสริมความรู้เขาแต่ว่าระดับแบบปริญยายเขาคงต้องให้ลูกเข้าไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดแบบช่วยยนะคิดแบบคนไม่มีลูกแต่กูอยากคิดได้ฟังก็คือถ้าเอาจากผมคิดจริงๆผมรู้สึกว่าไอ้วุธิการศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยมันจาเป็นน้อยลงเรืเร่อยๆ หลังโลกนี่เนี่ยคือความรู้มันไม่ไม่ไ ม, มันไม่ใช่ใชวุฒิการศึกษาไม่ใช่ว่าใบ ป, ปริญญาไม่ใช่ว่าจบโรงเรียนไหนแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณทําให้ลูกคุณมันคิดได้ลูกคุณก็รอดคือลูกคุณมีความถนัดอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยผมว่าก็ก็รอดนะ<ม>เรียนหนังสือน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาใช่แต่ให้เขามีความเชี่ยวชาญหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งก็น่าจะได้แล้วถ้าจะมองปัญหาจริงๆปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละถ้าคุณคิดไม่ได้เนี่ยคุณก็สอนให้ลูกคิดไม่ได้ มันจะวนอยู่เนี้ยอมีคนหลายคนชอบเปรียบเทียบแล้วว่าชีวิตที่อยู่ต่างจังหวัดกับอยูในเมืองเนี้ยยังไงดีกว่ากันคือผมอยู่ต่างจังหวัดอนะผมก็คิดว่าต่างจังหวัดมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ในเมืองแล้วเขามีความสุขดีผมว่าเขาก็มีสิทธิ์จอยู่ในเมืองนะคือคือคนเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันไงบางคนอาจจะมี คุณสมบัติที่อยู่ในเมืองแล้วแฮปปี้ทางานสะดวกรู้จักคนสังคมรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยพอมาอยู่จังหวัดก็อาจจะไม่สนุกก็ได้แต่ผมไม่ใช่บุคลิกนั้นผมผมรู้สึกว่าผมอยู่จังหวัดมันสบายดีก็เลยไม่คิดว่าไม่ต้องไปไม่รู้จะไปโตวารีอะไรเรื่องนี้เจสสาหรับเจคิดว่าไม่ต้องเปรียบเทียบอะเจแค่รู้สึกว่าแต่ละคนต้องไปหาให้เจอว่าความสุขของคุณคืออะไร ถ้าคุณชอบไลฟ์สไตล์ในเมืองคุณก็อยู่ในเมืองให้มีความสุขแล้วก็หาการงานเก็บรอมเงินเพื่ออนาคตเช่นกันคุณี่รู้สึกว่าอยู่ในเมืองไม่มีความสุขคุณก็ควรจะออกมาจากเมืองก็เข้ามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ค้นหาชีวิตตัวเองให้เจอแค่นั้นเองมันไม่จะเปต้องเปรียบเทียบไงคือส่วนใหญ่คนชอบไม่รู้จักว่าตัวเองคือใครอ่ะควรจะอยู่ตรงไหนควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยปัญหาหลักๆนะแล้วควรตัดสินใจทําเลยทำทันทีสมมุติว่า อันนี้ย้อนกลับไปนิดเองคือว่าถ้าคนที่เขาไม่เคยมาอยู่ต่างแดนเขาถามว่ามาอยู่ต่างแดนทำอะไรดีคงจะหมายถึงว่าทํายังไงดีให้มีกินมีใช้ก็ทําไงดีถ้าเจเจก็จะตอบว่าคุณต้งถามว่าคุณคุณมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะคุณทําอะไรเป็นบ้างคุณกดคนคุณสู้ไหมคือคุณต้องทำอะไรเป็นบ้างอรือทำกับข้าวทำอดีตสิ่งของหรือคุณถ้าไม่เป็นเลยคุณก็ไปขายแรงงานหรือจะขายผักขายยา เออแล้วอยากอยู่ไหมล่ะอยากอยู่ก็ต้องทํา อ, อ่ะอ่าอันนี้ผมสรุปไปฟังง่ายๆถ้าทําถ้าทําอาหารเป็นเนี่ยคุณก็อาจจะลองเปิดร้านอาหารเล็กๆออาเพราะมันก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะ <c oughs> มีคนมาเที่ยว <c oughs> ผมไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นไงนะแต่ที่ปายมีคนมาเที่ยวใช่ <c oughs> คุณก็ทําอาหารตามสั่งง่ายๆก่อนหรือคุณหัดทําอาหารเช้าขายสลัง่ง <c oughs> คืออย่าบอกว่าทําไม่เป็น <c oughs> ผมรู้สึกว่าโลกทุวันนี้ยมันแค่คุณบอกว่าคุณอยากทาอะไรใช่ <c oughs> อันมุตคุณอยากทําพิซซ่ามผมก็เชื่อว่ามันหาได้นะในอินเดียดวิธีทาพิซซ่าคุณหาแม่งมาสักห้าหกศูนยแล้วคุณก็นั่งทาไปทําจนมันอร่อยแล้วคุณก็บอกว่ากูจะขาพิซซ่าคือโลกทุกวันนี้มันไม่ใช่โลกที่แบบกูต้องมีตระกูลทําพิซซ่ามา ก, ก่อนมันไม่ต้องนี่ยกอย่างาง่ายๆนะอยากอยากชงกาแฟอยากเปิดร้านกาแฟอ่ะมันก็ต้องมีที่เรียน มีทั้งเสียเงินมีทั้งฟรีคุณก็ไปหามาใช่ถ้าไม่เป็นก็ไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟให้เขาไปฝึกก่อน<ช>ไปฝึดตามร้านที่เขาเป็นแล้วอะไรเงี้ย<ช>แล้วก็เราจะรู้สึกว่าอาชีพสมัยนี้มันหาง่ายมากคือบางทีอยู่บ้านก็เปิดทําอาชีพได้คือแบบซื้อขายของออนไลน์อะไรเงี้ยคือเราก็ดูว่ามาปลายแล้วปลายเนี้ยเราสามารถหยิบอะไรม า, มามาขายในออนไลน์ได้บ้างเนี้ยส่งคนที่กรุงเทพเนี้ยอาหารเหนือหรืออะไรเงี้ยบางทีมันต้องคิดต้อง นั่นแหละวางแผงนเองคุณ<อ>คุณสมมุติคุณชอบขี่จักรยานคุณอาจจะมาทําทัวร์จักรยานก็ได้อคุณก็ทําเป็นจัดเส้นทางขี่จัดเป็นทริปขี่จักรยานไปหรือหน้าร้านมีก็เอาจักรยานให้เช่าก็ได้อคือมันถ่ ง, ง่ายจริงมันมันเหมือนกับว่าคุณทําจากสิ่งที่คุณรู้จักมามันก็สนุกแหละต่างจังหวัดนี่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีของมันคืออากาศดี ผู้คนจ่มใสยิ้มแย้มแล้วทุกอย่างก็ช้าๆข้าวของอาหารราคาถูกข้อเสียไม่มีโรงพยาบาลดีๆไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ที่แบบถ้าเราเจ็บป่วยหนักมากเนี่ยบางทีต้องส่งไปที่ในเมืองมันอาจจะช้าในเวลาสีชั่วโมงแล้วก็โรงเรียนอะไรเงี้ยโรงเรียนก็มีแค่ถึงม .6 แล้วก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลมีไม่กี่แห่งน้อยมากอะไรเงี้ยมันไม่พอ ก็คือในด้านในด้านพวกนี้จะไม่ไ่คอยมีใช่ซึ่งพ่อแม่ต้องเสริมเด็กเนเราก็ใส่อากาศอยู่เยแล้ขาช่วยทำหายใจเข้าไปเ้า <c oughs> ดีมีอันเดียวก็อากาศนะฮะเพราะ <c oughs> เสียบเปรียบเขาดีอย่างก็คือเราถ้าเรามีความรู้มากใช่เป่าเรามีความรู้มากเราเห็นโอกาสแล้วอยู่ในเมืองมาเยอะเราเห็นโอกาสมันเขา้ามามาอยู่ในก่างจังหวัดเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอ่ะคนดั้งเดิมเขาอาจจะไม่เคยเห็นเมืองไงแล้วเขาไม่รู้ว่ามีอาชีพแบบแบบคนในเมืองด้วยอ่ะ คือแบบคุณเหมือนชอบกินกาแฟแบบนี้ชอบกินอาหารแบบนี้แต่ที่นี่เขาทำไม่เป็นอย่างเนี้ยคุณก็มาเปิดได้มันเห็นโอกาสในการค้าเยอะกว่าคนที่เห็นโอกาสเนี่ยมันมันก็ต้องฝึกฝนนะผมคิดว่าบางทีคุณก่อนคุณจะมาคุณก็ต้องเตรียมตัวอะไราบ้างเหมือนกันว่าคุณจะมาทําอะไรอทุกวันนี้มาทําอะไรได้บ้างเมืองนั้นเป็นยังไงเกาะ น, นั้นเป็นยังไง ใ, ใครมาเที่ยวใครอยู่เขามีทรัพยากรอะไรสมมุติ อ่าสมมติที่ปายเนี่ยเขามีทั้งปลูกกระเทียมมีทั้งปลูกข้าวค<ช>ือเป็นเมืองเกษตรอ่ะอ่าคือคุณชอบกเกษตรก็ก็สนุกเลย<ช>มีพื้นที่ให้คุณทำคุณอาจจะแบบที่ผมอ่านมานะี่ยบางทีคุณปลูกข้าวเหนียวญี่ปุ่นก็ได้ข้าว<ช>ญี่ปุ่นก็ได้คุณอาจจะคือเขาปลูกข้าวอยู่แล้วแหละทักษะเดียวกันเนี่ยแต่คุณไม่ปลูกพันุ์ข้าวที่ขายทั่วไปคุณปลูกพันธุ์ข้าวเฉพาะเรื่องก็ได้<ช>หรือคุณจะมาทํา ข้าวหลายเข้าไรซเบอร์รี่ข้าวอะไ ร, ry, <ช>ะไรมันอยู่ที่<ช>อไอเดียไงแต่ถ้าคุณบอกว่าจะทําอะไรดีถามผมมาสักสิบครั้งผมรู้สึกว่าคุณไม่ต้องถามอะไรแล้วเพราะว่าคุณถามยอยู่แล้วแหละคุณควรจะค้นหาตัวเองบ้างแล้วก็มันไม่ยากเลยคุณอยากทําอะไรคุณก็เซิร์ชกนะูเกิลน่ะมันก็จะมีวิธีการสอนให้ทำอะไรยังไงแล้วก็ทําไปตามทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยก็นา่าสนุกออกคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะอยู่ต่อไปหรือไม่ที่นี่ถ้าเจนี เจ๊ก็ได้อยู่ไปจนกว่ารู้สึกว่าเออสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีแล้วแือตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะถ้าแข็งแรงอยู่ก็ยังอยู่ไปแต่ถ้าแบบสักหกสิบเจ็ดสิบรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะย้ายไปอยู่ในเมืองอาจจะอยู่คลินใหม่อะไรเงี้ยที่มีโรงพยาบาลใหญ่ๆที่พขาจะดูแลเราได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณ<ห>นี้แต่ก็ยังไม่กลับกรุงเทพโอ้กรุงเทพนี่ไม่แล้วมันหนานแน่นเกินทุกอย่างมันแย่งกันหมดอะ่ะกลับไปกรุงเทพบ้างไหมเป็นกรุงเทพเป็นไงบ้าง กับไปเยี่ยมแม่ปีละหนึ่งก็รู้สึกว่าก็ไม่น่าอยู่นะคือคือมันจะสวยงามเฉพาะตรงที่เป็นศูนย์การค้าเออทุกอย่างดูใหม่เพราะเราขี่ขับรถแท็กซี่นั่งกลับบ้านแถวแถวชานเมตึกก็ดูเก่าดูอะไรแบบมันมอมแมมมากเลยอะ่ะไม่รู้สึกน่าอยู่นะไม่ชอบอยู่ในเมืองแล้วอ่ะเสืออากาศไม่ดีมากๆแล้วก็ร้อนอบอ้าวชอบอยู่ในค <ผม S 1> นคิดมากกว่ า, วาจริงๆแล้วคนที่เขาอยู่เขาก็คงต้องปรับตัวนะคือคนที่อยู่ในเมืองอะเขาต้องปรับตัวเโอเค นู่นในนี่ไม่ดีแต่ว่ามันมีการงานมันมีเงินเดือนมันมีค่าใช้จ่ายหรือมันมีโรงพยาบาลดีๆมีห้องสมุดดีๆมีโรงเรียนดีๆซึ่งมันก็อยู่ที่นี่หมดอ่ะมันไม่อยู่ข้างนอกนะอ่ะนะผมสังเกตว่ามันจะอยู่ใจกรุงเทพไม่ไหละไอ้เรื่องเนี้ยแต่ก็ต้องแลกกับว่าวก็อากาศไม่ดีผู <c oughs> ้คนมีความเคร่งเครียดหรืออะไรนี้ยถ้าเอาจริง ก, ก็คือทั้งสองอย่างทั้งกรุงเทพและจังหวัดมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบ คุณก็ต้องถามตัวเองว่าตัวคุณน่ะมันมีบุคลิกยังไงคุณอยู่ตรงไหนแล้วมันมีความสุขคุณก็ไปทําตรงนั้นแต่อยากอยู่ต่างจังหวัดมากๆก็ลองดูชมันไม่มี<ด><ๆ>อะไรยากหรอกคือคุณคุณไม่เคยลองหรอกคุณก็ต้องลองได้แบบคุณจะมานั่งแบบอายุยี่ห้าบอกอยากอยู่ต่างจังหวัดอายุสาสิบเออเนี่ยเนี่ยกูอยู่อยากอยู่ต่างจังหวัดกูอยากอยู่จนหกสิบพูดไปจนหกสิบวเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ได้ออกมาผมไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นนะใช่อยากเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากย่างนั้น ผมก็ไม่เคยอายุห้าสิบนะแต่พอผมอายุห้าสิบผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ ไ, ไหวที่จะเคลื่อนที่ไปไหนไปบุกเบิดใครเลยแล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างมากคุณก็แค่เคลื่อนที่ไปพักผ่อนอีกที่หนึ่งแค่นั้นแหละมั น, ม, น, ม, นมันไม่เหมาะที่คุณจะมาแบบตะลุยทําอะไรหรือสร้างสารรค์อะไรอีกแล้วคือคนที่คิดว่ากเกษียณคือเขาคงมะเขาคุงเจ็บเบงินเกษียณแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยมาอยู่แบบ ส, สบายที่บ้าน ก็ต้องถามกลับว่าไอ้ที่บอกว่าเกษียณแล้วจะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสรุปแล้วเก็บเงินได้ไหมผมรู้สึกว่าการอยู่ในเมืองนี่มันเก็บเงินยากนะใช่มันมีเรื่องใช้จ่าคือคือแต่ละปีเนี่ยเหมือนเหมือนปีหนึ่งได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปปีนั้นแหละพออายุหกสิบผมว่าเผลอๆจะไม่มีเงินพอจะมาอยู่ต่างจังหวัดนะต้องมาหาจีนในต่างจังหวัดอีกถ้าคุณอยากมาอยู่ต่างจังหวัดคุณลงอยู่ได้เลยใช่ลงอยูได้เลยคิดว่าไม่น่ายากถ้าคุณทําได้ก็จบใช่ไหมเรื่องนี้ ถ้าคุณทำไมได้คุณก็กลับไปอยู่ที่ที่คุณเคยอยู่แค่นั้นเองใช่าหครับอในเมืองแค่นั้นเองก็วันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับเราแค่นี้เราก็คงจะแบบว่าได้ศัตรูเป็นควมุเทอย่างคิดว่าทาังคงได้ประโยชน์สิคะได้ประโยชน์จากพวกเราไปบ้างสวัสดีนครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับมิตรไทยติงสิงห์